ข้ออนุโมทนานที่มาชักชวนกันมาฟังธรรมนะก็เรียกว่าถึงแม้จะยังไม่ได้ถวายอาหารเนี่ยแค่ฟังธรรมนี่ก็ได้บุญนะเป็นมงคลของชีวิตนะผู้เจ้าตัดว่าการฟังธรรมตามการโดยเฉพาะยิ่งพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันอัสาราบูชาน ะ, ะก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญก็มาสนทนาธรรมเสมอกับว่าเรามาเตรียมจิตเตรียมใจ เพื่อที่จะเข้าพรนษาเพวกเราหลายคนก็เป็นผู้ที่ห่วงใยสังคมอยากจะช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากาไม่ได้ใช่ห่วงใยเฉยๆนะแล้วก็แต่ยังลงมือทำด้วยตามกำลังนะการที่เราพยายามช่วยผู้อื่นเนี่ยเราก็มุ่งหวังให้เขามีความสุขให้เขาห่างไกลจากความทุกขนะ์แต่ถึงนิ่งที่เรา ควรจะตระหนักก็คือว่าในขณะที่เราช่วยเขานะเราก็อย่าลืมดูแลตัวเราดูแลใจดูแลสุขภาพของเราด้วยถ้าว่าเราช่วย้พื่นให้เขามีความสุขแต่เรากับเป็นทุกเนี่ยอันนั้นยังไม่ถือว่าเป็นการกระ ท, ทําที่ถูกต้องครบถ้วน ผู้เ จ, จ้า <Lil> ต <shipping arrived> <ended> ัดว่าเนี่ยเวลาคนเราทําอะไรเนี่ยก็อย่าลืมประโยชน์ตนประโยชน์ท่านที่จริงประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่านไม่ได้แยกกันนะประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่านไม่ได้แยกกันการทําประโยชน์ตนการทําประโยชน์ท่านเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะทําให้ประโยชน์ตนลดลงยกตอย่างเช่นการให้ทานเนี่ยการให้ทานนี่ก็มุ่งเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นนะเราให้ทานเพื่อช่วยให้คนที่หิว เขามีอาหารคนที่เดือดร้อนก็มีความสุขดูเป็นเผลอกเหมือนกับว่าเราช่วยเขาเราก็แย่ลงเพราะว่าเมื่อเราให้เงินเขาเงินในกระเป๋าของเราก็มีน้อยลงแต่สิ่งผู้เจ้าชี้ก็คือว่าแม้เราเป็นผู้ให้เราก็ได้เหมือนกันคือได้ความสุขผู้เจ้าตรัสว่าผู้ให้ความสุขย่อมได้แล้วความสุขไดนะ้ความสุขที่มันมีค่ามากกว่าเงินเพราะว่าเงิน เท่าไรก็ซื้อความสุขไม่ได้นะแต่ถ้าเราให้ด้วยใจที่มีเมตตาด้วยจิตปรัชนาดีเราก็ได้รับความสุขการรักษาศีลไม่เบียดเบียนผู้อื่นประโยชน์ที่ได้คือตัวเราก็คือว่าเราไม่ต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์นะเพราะว่าเราไม่มีเรื่องที่จะมารบ ก, กวนจิตใจให้ไม่สบายใจเรารักษาศีลดีเราไม่ไปฆ่าสัตว์เราไม่ลักขโมยเราก็ สบายใจนะเราก็ไม่ต้องคอยหวาดกลัวว่าใครจะมาเปิดโรงเราใครจะมาพบความจริงตําหนจจะมาจับหรือไมนะ่อันนี้เรียกว่าเกิดความสุขนะยัไม่พูดถึงว่าบุญกุศลที่จะตามมานะนะเราคนชาวพุทธก็เชื่อว่าถ้าทำรักษาศีลแล้วเดี๋ยวก็จะได้บุญได้กุศลก็คือว่าทําให้มีความสุขความเจริญในชาติหน้าหรือว่าเป็นที่รักของผู้คนในชาตินี้ อันนั้นเนี่ยเกิดขึ้นหรือไม่เนี่ยนะเกิดขึ้นมา่อไหร่เราไม่รู้แต่ที่นแน่ๆคือเราทําแล้วเราสบายใจอันนี้เรียกว่าเกิดประโยชน์ตนที่จริงเนี่ยครับที่เราทํางานเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยถ้าเราวางใจถูกเราก็ได้ไ ด, ได้ได้ความสุขไปด้วยนะแต่ถ้าเราวางใจไม่เป็นเนี่ยเราก็า จ, จะเหมือนกับท่านลมพ่านลมเนี่ยนะมันให้ความสุขกับคนอื่นใช่ไหมแต่ตัวมันเป็ น, นยังไงตัวมันร้อนใช่ไหม เราไปจับข้างหลังเลยมันร้อนะแต่คนเราไม่ใช่พัดลมเนี่ยนะคนเราเนี่ยนะการที่เราให้ความสุขความสงบเย็นแก่ผู้อื่นเราก็สามารถจะมีความสุขได้ใช่ไหถ้าเราวางจิตวางใจเป็นยกตัวอย่างเช่นเวลาเราทำงานเนี่ยนะเราก็มีสตินะ เราใช้สติเนี่ยดูแ ล, แลรักษาใจพอเจอสิ่งที่พอเจออุปสรรคนะเจอแรงกระทบเจอคนตำหนิใจเราก็เพื่อมเราก็มีสติรู้ทันอาการที่ใจกระเพื่อมสตินี่มันดีมีคุณภาพมีประโยชน์อย่างนึ้นั่นคือมันพอมัน มันช่วยให้เรารู้ทันอาการที่เกิดขึ้นกับกายและใจเพอรู้ทันแล้วเนี่ยมันจะช่วยทำให้ใจกลับมาเป็นปกติมันช่วยทำให้กายกลับมาเป็นปกติได้เวลาเราเวลาเราหงุดหงิดนะเวลาเราหงุดหงิดเราโมโหเราโกรธเนี่ยเราเคยสังเกตร่างกายเราไหมมันเป็นยังไงคนเสียไม่สังเกตอาจจะหน้ามีขี่ขโมดอาจจะเม้มกัดฟันเม้ม ลิงฝีปากหรือว่ากำมือแน่นลมหายใจถี่สั้นแต่ทันทีที่เรามีสติรู้กายนะมันคลายเลยใจอาการเราจะกลับมาผ่อนคลายในทนองเดยกันถ้าเกิดว่าเรามีความหงุดหงิด ม, มีความโกรธนะเรามีสติรู้ทันเนี่ยใจมันกลับมาเป็นปกติ ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพราะเราไม่รู้กายไม่รู้ใจเวลามีอะไรมากระทบเวลางานมีปัญหาเดี๋ยวว่าแต่อะไรเลยแค่รถติดเนี่ยเจอสัญญาณไฟนี่จราจรเนี่ยสีแดงร2 0ยสิวินาทีร้อยห้าสิวินาทีเนี่ยเราก็งุนหงุดหงิแล้วนะจริงๆน่าคิดนะว่าบ่อยครั้งเนี่ยเราซ้ำเติมตัวเราเอง เสียเวลาแล้วนะแค่เสียเวลาเสียเวลานี้ก็นับว่าแย่แล้วนะเรายังมาซ้ําเติมตัวในการทําให้เสียกําลังเสียพลังเสียสุขภาพจิตเสียเวลาอย่างเดียวแต่ใจเนี่ยเป็นปกติรถติดเนี่ยทำไงอย่าให้จิตตกเสียเวลาก็เสียไปแต่จิตไม่ตกแต่บ่อยครั้งเลยเนี่ยเราซ้ําเติมตัวเองก็คือว่าเสียเวลาแล้ว นะจิตเราก็แย่หมุดหมิดความดันเราก็ขึ้นนะอันนี้เนี่ยไม่มีใครทำนะเราทำเองเนมือนกับคนที่ของหายเนี่ยนะหรือเงินถูกเงินถูกเงินถูกขโมยสมบัติถูกโกงไปเสียทรัพย์เนี่ยนะมันก็มันก็หนักพอแรงนะแต่ปล่อยครั้งเนี่ยเราไม่ยอมเสียเท่านั้น เราปล่อยให้ใจเสียด้วยใจเสียไม่พอกินไม่ได้นอนไม่หลับกลุ่มใจนะมีครูคนหนึ่งถูกกลงไปแสนหนึ่งตกจะเสียใจมากทั้งแทนใจแกไม่ยอมกินไม่ยอมนอนเป็นอาทิตย์เป็นเดือน แม่ก็บอกว่าให้กินซะให้นอนซะแกไม่ยอมมันก็จะประชดทําให้สงสัยว่าเอะจริงๆเนี่ยเราลักเงินหรือลัก เ, เราลักตัวเองกันแน่ถ้าลักตัวเองใช่ไหมมันก็ต้องพยายามกินพยายามนอนักษาสุข ภ, ภาพแต่หลายคนก็มาครูคนเนี้คือว่าลักเงินมากกว่าลักตัวเองทําร้ายตัวเองนะ เพราะเงินหายเพราะถูกโกงเงินแล้าสุว่าก็แย่เลยนะเสียใจเสียแล้วสุขภาพเสียเสียแล้วเป็นไงทํางานก็ทําไม่ได้เสียงานอีกนะเพราะนั่นไม่พอเอาเงินหงุดมีเพื่อนมาแซวมีเพื่อนมาหยอกแต่ก่อนเขาก็แซวหยอกเราก็หยอกกลับแต่ตอนนี้พอเราอารมณ์เสียกุ้มใจเราก็ด่าเลยทะเลาะก็บอกแวงง่งกันเสียเพื่อนอีก จากเดิมเนี่ยแค่เสียเงินนะตามมาด้วยเสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียเพื่อนเสียสมรรถภาพถามว่าไอเสียสี่อย่างหลังเนี่ยใครทำนะตัวเองทานั่นแหละแล้วคนฉลาดเนี่ยถ้าจะเสียเรก็ต้องเสียอย่างเดียวคือเสียเงินนะแต่ว่าจะไม่จะจํากัดไม่ให้เสียใจเสีย สุขภาพเสียงานเสียการแต่มาพบว่าเนี่ย บ, ววบ่อยครั้งเนี่ยเราเนี่ยซ้ําเติมตัวเองและการทํา ง, งานเพื่อสังคมเนี่ยก็ต้องก็ต้องระมัดระวังว่าทําไปทําไปเนี่ยนะมันเป็นการไปซ้ําเติมตัวให้ทุกข์ส่วนใจเนี่ยที่ว่าบอกว่าเหนื่อยเหนืยน่อยเนี่ยมันไม่ใช่เหนื่อยกายนะเหนื่อยใจเหนื่อยใจเพราะผิดหวังเหนื่อยใจเพราะมีมีเสียงบน่นเสียงว่า มีคนมากันแกล้งที่จริงเนี่ยใครก็ทำอะไรกับเราเนี่ยมันมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทุกข์เสมอไปนะมันอยู่ที่ว่าเรามองเรารู้สึกกับสิ่งนั้นอย่างไรคำต่อว่ า, าดาทออุปศรรักความล้มเหลว คนที่มันไม่ได้แปลว่าจะต้องทําให้เราทุกข์เสมอไปนะจะทุกข์หรือไม่อยู่ที่ใจเราเช่นคําตําหนี่คาต่อว่าดาทอเนี่ยนะถ้าเราวางใจไม่ถูกมองไม่เป็นเราทุกข์นะแต่ถ้าเราวางใจถูกวางใจเป็นคําตําหนี่อาจจะเป็นของดีก็ได้อดีตเจ้าของเมืองโบราณเนี่ยคุณเล็กวิริยพันธ์ผู้ก่อตั้งบริษัทวิทยาประกันภัยเนี่ยแกรวยมากนะั้งแต่จะติดบิน เจ้าแกเป็นคนที่สนใจธรรมะจะบอกว่าวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลนะถูกวันไหนถูกตําหนิวันนั้นเป็นมงคลการที่บางคนบอกว่าวันไหนถูกตําหนิวันนั้นสวยนะนั่นเป็นเพราะระวังใจไม่ถูกเนี่ยแต่ถ้าระวังใจถูกเออคําตําหนิดีนะทําให้เรารู้ว่าจะต้องแก้ไขยังไงเราบกพร่องตรงไหนมันช่วยลดอัตราของเรานะ เพราะนั้นเนี่ยอจริงๆแล้วเนี่ยที่คนบอกว่าเนี่ยฉันทุกข์เพราะมีคนมาต่อว่าที่พราะมีคนมาตําหนิเนี่ยที่ไม่ใช่นะมันเป็นเพราะเราวางใจไม่ถูกหลายคนพอถูกตําหนิแล้วก็ยิ้มนะมีนะอาตมาอรู้จักเพื่อนคนหนึ่งชื่อโจนจันใด้รู้จากมาพวกเราโจนจันใด แกเป็นไอดอลของคนที่ต้องการคือสิธรรมชาติกับสู่ช่วยที่เรียบง่ายแต่ก่อนก็บอกว่ากอนที่แกยังหนุ่มเนี่ยแกอยากรวยเหมือนคนอื่นแล้วแกก็ไปสแสวงโชคที่กรุงเทพแกไม่มีความรู้อะไรมากแกก็เลยไปเป็นพนักงานทาความสะอาดโรงแรมแกบอกว่าเนี่ยแกเจอเจ้านายซึ่งไม่เคยเจอมาก่อนบอกไม่เคยเจอผู้หญิแบบนี้มาก่อนเจ้านายคือแม่บ้านแม่บ้านเนี่ยเจอหน้าแกก็ดาดา ยิ่งค่อยเห็นโจเนี่ยเป็นเด็ก้านนอกเนี่ยนะก็ยิ่งใสใหญ่วันหนึ่งแม่บ้านให้ให้โจเนี่ยไปไปขัดรูปรูปบิดในโรงแรมในห้องพักโรงแรมรูปบิดมันเป็นทองเหลืองแม่บ้านก็ให้โจเนี่ยใช้ b r a s ซขัด <Okay. S 1> แกก็ขัดอย่างดีขัดด้วยความตั้งใจขัดจะเสร็จอยู่แล้วเอมดีผ่านมาเห็นเอ็มดีก็ว่าโจบอกว่า ขันได้ยังไงไ อ, ไอทองเหลืองเนี่ยใช้ประโศะขันเนี่ยขันได้ยังไงดา่าด่าโจรแม่บ้านเนี่ยนะเป็นคนใช้โจรเองนะแทนที่จะป้องกันนะกลับซ้ำเติมโจรเธอเนี่โง่ทำงี้ได้ยังไงเป็นเราเนี่ยเราจะรู้สึกไงโหโกรธเลยนะโจรยังไงไม่รู้นะอยู่ดีก็พนมพนมือว่าพนมมือไหว้แล้วก็บอกว่าขอโทษครับขอบคุณครับนะ แล้นับจากวันนั้นมาเนี่ยเวลาแม่บ้านด่าโจนนั้นโจนก็จะยิ้มแล้วก็พัดไหว้แล้วก็บอกขอบคุณครับจนเป็นทุลูกกันในหมู่พนัก ง, งานโร ง, งแรมบางคนก็หาว่าไอโจนนี่มันโง่ให้เขาซ้ําเติมบางคนก็หาว่าไอโจนนี่มันบ้าเขาด่าแล้วดันยิ้มไปขอบคุณเขาอยูผ่านมาเดือนหนึ่งแม่บ้านสงสยัยเรียกโจนมาถามว่าเนี่ยฉันสงสัยเหลือเกิน เวลาฉันด่าตนทำไมเธอยิ้มทำไมเธอไหว้ฉันแล้วขอบคุณฉันตนก็บอกว่าที่ผมขอบคุณที่ผมไหว้แม่บ้านก็เพราะว่าแม่บ้านเนี่ยทําให้ผมเนี่ยเวลาด่าทีไรทําให้ผมกลับมาดูใจตัวเองกลับมารักกลับมาจัดการกระจายของตัวเองนะแล้ทําให้ใจตัวเองเป็นปกตินะก็ เ, เลยขอบคุณอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบางครั้งผมก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนะแต่ว่าแม่บ้านก็ก็ดา่า ผมก็ที่ว่าแม่บ้านคงมีความสุขที่ทำอย่างนั้นผมก็ไม่โกรธนอกจากนั้นมานะแม่บ้านเนี่ยไม่เคยด่าโจรอีกเลยนะคงแพ้ใจนะแพ้ใจโจรคือประเด็นนี้ก็คือว่าบางคนเนี่ยนะไอการที่เขาด่าเราไม่ันไม่ได้แปลว่าเราต้องโกรธเสมอไปนะแต่ถ้าระวังใจไม่เป็นเนี่ยเรายินงจะโกรธแต่ถ้าระวังใจเป็นเราก็ไม่โกรธนะ เราสามารถจะยิ้มได้เ น, ะน้นเวลาเราโกรธเนี่ยนะอย่าเพิ่งไปโทษคนอื่นนะอย่าเพิ่งไปโทษว่าทําไมเขาพูดเรากับเราอย่างนั้นมันต้องกลับมาดูใจของเราว่าเราวางใจถูกวางใจเป็นไหมนั่นวะ่าประทัดใจคนนึ่งนะอันนี้เป็นอแกเป็นแม่ชีแม่ชีสาเนี่ยเป็นเป็นเป็นลูกศิษย์ของหลวงหลวงปู่ขาวอานาลโยวัดธรรมกองเป็นลวงู่ขาวท่ามรณภาพไป ยีสิบามสิปีแล้วนะแม่ชีสาเนี่ยเป็นคนที่อุปถามพระแม่แล้วก็เนนดีมากแล้วก็สนใจปฏิบัติธรรมจนหลวงปู่ขาวชมวันหนึ่งหลวงปู่ขาวสั่งให้พระสองรูปเนี่ยลูกศิษย์เนี่ยไปดา่าแม่ชีสาพระท่านก็ไม่้องงนะไปด่าทาไมแต่ว่าครูบาอาจารย์สั่งให้ไปดา่าก็ไปดา่าก็ทำหน้าที่ขุดค้น คุ้ยหาคำด่ามาประเคนใส่แม่ชีษาแม่ชกษาที่แล้วก็งงนะแต่ว่าก็ตั้งสติได้ก็พนมมือพนมมือฟังทั้งสองรูปดา่าจนไม่รู้จะด่าอะไรแล้วก็หยุดแม่ชีษาก็เลยพูดขึ้นมาว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์ดา่าเสร็จแล้วเหอรอสอนสองรัชาพซึ่งเหลือเกินที่พูดนี่เป็นธรรมาทั้งนั้นเลยขาวหน้านี่มโนด่าใหมนะ่ <c oughs> เพราะว่าจะมันช่วยขุดกิเลสช่วยขุดกิเลส คือคำด่ามีประโยชน์มกันนะเหมือนกับที่คุณเล็กเรียพันเนี่ยเขาบอกคำดา่าประโยชน์อย่างหนึ่งคือมันช่วยลดอัตราลดกินเล็นนะคือเวลาเราทํางานนี่นะทำงานเพื่อสังคมเนี่ยต้องมาคิดว่าสิ่งึ่งที่เราควรจะตั้งจิตเอาไว้นะก็คือว่าการทํางานเนี่ยต้อกจากเป็นการทําประโยชน์เพื่อสังคมแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสในการที่จะฝึกตนด้วยถ้าคุณคิดแบบนี้นะไม่ว่าคุณทําอะไรไม่ว่างานจะสําเร็จหรืองานล้มเหลวคุณมีแต่ได้ คือแม้งานล้มเหลวนะแต่คุณได้ได้เลยคุณได้ขัดเกลารตัวเองคุณได้ฝึกตัวเองฝึกให้เห็นกับตัวน้อยลงฝึกให้ให้จิตใจมั่นคงเข้มแข็งมากขึ้นนะเพราะความมั่นคงเข้มแข็งความไม่หวั่นไหวเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อเราถ้าเรามีมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะมีความสุขได้ง่ายสมัยทีย่จะมาเป็นเป็นนักกิจกรรมเนี่ยตอนเป็นคระว่านเนจะมาก็พย า, ยามตั้งจิตแบบนี้นะก็คือว่าที่เราทําเนี่ยนะ ได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านหลายครั้งทําแล้วมันไม่สําเร็จแต่ว่าได้ทุกครั้งเพราะว่าได้ฝึกตนนะได้ฝึกความฝึกความลดความเห็นแก่ตัวนะฝึกให้มีจิตตัว่อแผถึงผู้อื่นฝึกลดอัตราตัวตนนะนั้นถ้าเราตั้งจิตแบบนี้เนี่ยจะไม่มีคําว่าเสียมันมีแต่ว่าจะได้เท่าไหร่ได้1หรือได้2ได้หนึ่งก็คือว่าได้กับตัวเองไม่ใช่ ชื่อเสียงไม่ใช่คำสรรเสริญไม่ใช่เงินทองแต่มันคือการลดมันคือการพัฒนาตนและถ้าเราทำดีทำถูกต้องหรือว่าทำถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยมันกจ็จะได้อีกหนึ่งก็คือว่าความสำเร็จสิ่งนึ่งที่จมาฝึกอยู่เสมอคือว่าแม้กระทั้งทุกวันนี้คือฝึกว่าเวลาทางานเนี่ยพยายามให้ใจอยู่กับงาน อันนี้ภาษาพราะเลวอยู่กับปัจจุบันผลมันจะเป็นยังไงเอาไวท้ทีหลังเพราะว่าถ้าทําเนี่ยเราใจมันไปอยู่กับผลของงานนะว่างานจะสําเร็จไหมหรือว่าอย่างน้อยๆเมื่อไหร่จะเสร็จนะอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่มันอยู่ในใจคนเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จถ้าคิดแบบเนี้ยทุกทันทีเหมือนกับเราเดินทางถ้าเราคิดว่าเมื่อไหร่จะถึงนะ แม้เราจะไปเที่ยวนะแต่ถ้าทันที่เราคิดว่าเมื่อไหร่จะถึงนะคุณทุกทันทีเลยคุณหงุดหงิดทันทีเลยแล้วคุณจะรำคาญเมื่อเจอรถติดคุณจะรำคาญเมื่อมีคนเดินข้ามถนนนะครับเราเรถเราต้องหยุดคุณจะรำคาญเมื่อเจอไฟจราจรสีแดงนะทรั้งที่ไปเที่ยวนะ<ม>ไปดูหนังนะน่าจะไปด้วยใจที่สบายแต่หงุดหงิดซะแล้วเนะพราะมันคิดว่าเมื่อไหร่จะถึงมเมื่อไหร่จะถึงเวลาทํางานเนี่ยต้อมาคิดว่า พยายามใจให้อยู่กับงานผลของงานจะสําเร็จเมื่อไร่สําเร็จแล้วจะเป็นอย่างไรวางมันเอาไว้ก่อนนะแล้วการทํางานจะมีความสุขมากขึ้นนะคนส่วนใหญ่เนี่ยทุกเนี่ยไม่ใช่เพราะว่างานมันยากแต่เพราะว่ามันไปนกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง อยากจะให้เสร็จเร็วๆหรือไม่ก็นึกถึงงานที่ยังค้างคาอยู่มันมีอาตมาชอบออนักไต่เขานักปีนเขาคนหนึ่งแกพูดว่าแกบอกว่าประสบการณ์การปีนเขาของแกแกผ่านเขาที่สูงสุดในโลกมาแล้วหล ว, ลวงเอเวอเรสต์ด้วย แกบอกประสบการณ์การปีนเขา 20-30 ปีของแกคือว่าพบ ว, ว่าทุกอย่างมันดูน่ากลัว ก, กว่าความเป็นจริงเสมอเมื่อมองจากที่ไกลคือเวลาจะปีนเขาเนี่ยมองไปที่ยอดนอ่ยโอ้โหเห็นแล้วมันท้อเสาเขาสูงเขาชันต้องเป็นเดือนกว่าจะถึงอันตรายก็เยอะแต่แกพบ ว, ว่าวิธีปีนเขาที่ง่ายสุดนะเทล็ดับการปีนเขาของแกคือว่าสนใจพื้นินใต้ฝาา่าเท้า ไม่ใช่ข้างบนนะแต่สนใจญึ้นไ้กอท้าแล้วเดินไปสี่หลเก้ี่หถ้าเดินไม่หยุดน่าถึงเองเาจมาเชื่อวิธีนี้มาใช้กับการทํางานไม่ว่าจะเป็นการทํางานงานบ้านงานอาชีพงานเพื่อสังคมแน่นอนเราต้องวางแผนอย่างบรูซเคิร์บี้คนที่ว่าเนี่ยแกก็วางแผนไว้แล้วจะปีนเขาไปถึงยอดเนี่ยจะต้องใช้เส้นทางไหนจะใช้เวลานานเท่าไหร่แกวางแผนเสร็จแต่พอลงมือเดินนะจะอยู่กับ เ้าแต่ละก้าวแต่ละก้าวแตพบว่ามันสบายมันผ่อนคลายขอเพียงแต่เดินไม่หยุดอันนี้ก็คือเรื่องของการอยู่กับปัจจุบันนะเวลาทำงานอะไรก็ตามเนี่ยขอให้เราจะอยู่กับปัจจุบันแต่ไม่ได้ไ ม, ไ, มไม่ได้หมายความไม่วางแผนวางแผนก่อนจะทำต้องวางแผนแต่พอวางแผนดีวางแผนเสร็จถึงเวลาเดินนะอยู่กับปัจจุบัน แล้วก็ค่อยก้าวไปตามแผนตามเส้นทางที่เราวางออกมาอันนี้เราว่าปล่อยวางนะวางวางอนาคตวางจุดหมายปลายทางไว้ก่อนวางความสําเร็จไว้ก่อนมันมีภาษิทจีนนะบอกว่าความพยายามเป็นของมนุษย์ความสําเร็จเป็นของฟ้าสิ่งที่มนุษย์เราทําได้เนี่ยคือใช้คือทาความเพียรส่วนจะสําเร็จหรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องของฟ้าหมายถึงเป็นเรื่องของ เป็นเรื่องเหตุปัจจัยเราไม่สามารถควบคุมความสำเร็จได้แต่เราควบคุมการลงทุนลงแรงนะเราเป็นคนเลือกได้ว่าเราจะทุ่มเทหรือเราจะขี้เกียจนะจึงเรียกว่าความพยายามเป็นของมนุษย์แต่ความสาเร็จเป็นของฟ้าหมายความว่ามันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่เราคุมไม่ได้ความสเร็จทุกอย่างเนี่ยมันเราคุมไม่ได้ ไม่แต่การเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางแม้กระทั่งการรักษาสุขภาพเพราะนั้นแหะสิ่งที่ควรทําคือว่าทําเต็มที่นะส่วนจุดหมายส่วนผลสําเร็จเนี่ยวางเอาไว้ก่อนแล้วถ้าทําำได้เนี่ยเราจะไม่ซีเรียสเราจะไม่เครียดคราว น, นะ น, นี้อีกอันนึ่งที่ควรทําคือเมื่อเมื่อผลมันเกิดขึ้น ก็จะไปยึดมันถือมันมาเป็นเราเป็นของเราความสําเร็จเกิดขึ้นนะก็ถือว่ามันเป็นความสําเร็จของผู้คนที่ร่วมกันทํามันไม่ใช่เป็นความสำเร็จของเราคนเดียวถึงเวลาที่ล้มเหลวมันก็ไม่แปลว่าเราจะล้มเหลวตามไปด้วยหลวงพ่อของตามานเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนท่านพูดเสมอท่านเป็นนักพัฒนานะแต่ท่านก็เป็นอาจารย์กรรมฐานท่านทํางานช่วยเหลืชอชาวบ้านให้พ้นจากความยากจน ชวยให้ชาวบ้านพยายามเลิกปลูกพืชเชิงเดียวมาทําปูผสมผสานสทำสากรข้าวทําอะไรต่างมากมายแต่ว่าไม่ค่อยประสบความสําเร็จมีคนไปถามท่านที่หลวงพ่อทำเนี่ยหลวงพ่อคิดว่าสำเร็จแค่ไหนท่านตอบทันทีเลยว่างานที่หลวงพ่อทำมันล้มเหลวแต่งานล้มเหลวไม่ได้แปลว่าหลวงพ่อล้มเหลวเข้าใจไหมงานกับตัวท่านเนี่ยมันคนละอันกัน งานก็งานแต่ไม่ใช่ตัวท่านแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไปผูกไปยึดติดถึงไม่ว่างานเนี่ยคือตัวกูของกูงานคือกูนะงานล้มเหลวคือกูล้มเหลวนะงานสำเร็จก็คือกูเก่งนะความคิดแบบนี้เนี่ยมันมันเป็นโทษ น, นะแม้จะสำเร็จเนี่ยมันก็จะเกิดอัตราตัวตนและมันก็จะเกิดความรู้สึกไม่พอใจถ้าใครเนี่ยมาแย่งผลงานเราใครใครมาอ้างว่า นี่เป็นงานของเขาไม่ใช่งานของเราเราก็จะโกรธใครมาวิจารณงานของเราวิจารณความสําเร็จของเราเราก็จะโกรธเพราะเราไปยึดบางงานหรือความสําเร็จเนี่ยเป็นกูเป็นของกูที่ขนาดสำเร็จนะ้นไม่ต้องพึงล้มเหลยยิ่งลม้มถ้าล้มเหลยยิ่งแยกกันไปใหญ่หมดสภาพรู้สึกกูนี่ไร้ความหมายกูนี่นะไม่มีคุณค่าบางคนล้มเหลวมากเนี่ยฆ่าตัวตายหรือไม่ก็เป็นบ้านี่พอไปยึดติดถือไม่ว่า งานนี้คือกูเป็นของกูจริงๆเนี่ยนะอาจารย์ผูท่าบอกว่ายกผลงานให้เป็นของความว่างทํางานเสร็จก็ยกผลงานให้เป็นของของโลกไปไม่ใช่ของกูไม่ใช่ของฉัน้นไม่ว่าจะเป็นงานสําเร็จหรืองานล้มเหลวเราก็ยังเป็นเราก็ยังเหมือนเดิมจิตใจมั่นคงนะไม่เกิดความลงตัวลืมต้นเมื่อสำเร็จเราก็ไม่สุดแย่หอ่ห อ, หอเหี่ยวเมื่องานล้มเหลว แล้วมันทำให้เราเนี่ยแม้งานจะล่มเหลวยังไงเราก็ยังมีกำลังทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆอัตมาประทับใจแม่บ้านชาวเกาหลีคนหนึ่งนะ่แกขายผักแกอายุหกสิกว่าแล้วแต่ก่อนเนี่ยมันมีรถแกมีรถรับจ้างส่งผักตอนหลังยังไงไม่รู้นะ่แกจะขับรถเองแ ก, แกไม่มีใบขับขี่ แกก็ต้องไปสอบใบคำคีแกสอบภาคปฏิบัติได้แต่แกไม่เคยสอบได้ภาคข้อเขียนได้สามสิบข้อเลยมันมีห้าสิบข้อร้อยคะแนนแกไม่เคยได้สามสิบข้อเลยแกก็ไม่ผ่านอันตอมาฟังเรื่องราวของแกเนี่ยประมาณกุมภาปีห้าสองเจ็ดปีที่แล้วมันเป็นข่าวพวกแกสอบมาแล้วเจ็ดร้อยดสิบห้าครั้งไม่ผ่าน แล้วแกไม่เลิกนะมาได้ข่าวทิพย์พุทธจีห้าสองแกผ่านแล้แกสอบรอดได้เก้าร้อยห้าสิบห้าสิบครั้งแกสอบวันเล่นวันถามว่าแกมีความเพียรไหแกมีความเพียรมากนะถามว่าแกมีความมุ่งมั่นไหมต้องมุ่งมั่นแนะ่โหสอบเป็นพันครั้งแต่เราสังเกต่าคนที่มุ่งมั่นคนที่ตั้งใจามากเนี่ยหลายครั้งเนี่ยนะทำไม่สาเร็จแค่สามสี่ครั้งก็เลิกแล้วท้อแท้ ยิ่งมุ่งมากยิ่งมุ่งมั่นยิ่งคาดหวังมากยิ่งท้อแท้ได้ง่ายมือไม่สําเร็จแต่แกมุ่งมั่นแต่ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นคนธรรมดาถ้าไปสอบใบขับขี่ถ้าไม่ได้สามครั้งก็ไม่เอาละถ้าไม่ไม่ซื้อก็ใช้เส้นใช่ไหมถ้าเป็นเมืองไทยเดี๋ยวนี้บางคนไม่สอบแล้วด้วยซซื้อเลยไม่ก็ใช้เส้นแต่นี่แกไม่ได้สอบสิบครั้งแกไม่ได้สอบร้อยครั้งจะสอบเกือบพันครั้ง อะไรทำให้แกสอบอยู่ได้อยู่แกต้องมีความเพียรมากเลยแต่ขณะเดียวกันแกต้องมีความปล่อยวางระดับหนึ่งเพราะถ้าแกไม่ปล่อยวางนะแกะก็สอบสิบครั้งแกก็เลิกแล้วเพราะท้อถอยนะนัะ่นจะมาคิดว่าเนี่ยนะมันมันมันมันเป็นแบบอย่างให้เราเห็นนะว่าคนเราเนี่ยเราสามารถที่จะทำความเพียรได้โดยที่ไม่ได้ยึดติดถือมัน่น คนมองคิ่าเออการไม่ยึดติดถึงมั่นเนี่ยมันทําให้เราไม่มีความเพียรมันทําให้เราไม่มีความอดทนแต่ตรงข้ามเนี่ยถ้าเรารู้จักปล่อยวางให้เป็นเนี่ยนะเราสามารถจะทำความเพียรได้อย่างต่อเนื่องนี่ต่องมาคิดว่าเนี่ยคือสิ่งที่นักกิจกรรมคนที่ทํา ง, งานเพื่อสังคมควรจะมีนะไม่ต้องอาศัยไม่ต้องปฏิบัติธรรมสูงนะแม่บ้านคนนี้นะแกก็ไม่เห้ปฏิบัติธรรมอะไรใช่ไหมแต่ว่า แกไม่มีความท้อถอยแกทําไม่จุดแกทําไม่เลิกนะอันนี้ตรงกับที่ยงเตา ม, มาเชื่ อ, องเสือเอตา ม, มาทําเต็มที่แต่ไม่สีเรียงเพราะถ้าแกสีเรียงแกเลิกไปแล้วนะทําเต็มที่แต่ไม่เลียทําได้ไม่สิเลี่ยงเพรปล่อยวางนะเพราะว่าไม่ได้ยึดมันถือมันในในผลนะมันก็ดูขัดแย้งกันนะไม่ยึดมันถือมันในผลทดสอบได้ไงต้องผ่านครั้งะ แต่เพราะแต่ถ้ายึดมาในผลก็ไม่กม็มีทางสอบเป็นพันครั้งหรอกสิบครั้งก็เลิกแล้วนะครับเท่าสปีลแบบนี้เนี่ยนะถ้านักท่านผู้ทำงานผูสังคมมีเนี่ยนะมันจะไม่มีความท้อมันจะไม่มีความรู้สึกจิตตกนะจะทำไปได้เรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะจนกว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะสำเร็จคนี้การทำงานสังคมเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยนะ อันนึงที่ออตมาเพื่อทวนควรจะรู้คือว่าตอนนี้มันเป็นกระแสด้วยกระแรสสังคมมันเป็นอย่างเนี้ยแล้วมันไม่ได้เป็นเฉพาะเมืองไทยมันเป็นทั้งโลกนะตอนนี้กระแสทั้งโลกเนี่ยมันเป็นกระแสที่เรียกว่าถ้าพูดอย่างคือกระแสขาลงของประชาธิปไตยกระแสขาลงของการทํางานผู้สังคมกระแสขาลงของอความคิดแบบเสรีนิยมตอนนี้เนี่ยมัมนถูกมันมันเป็น ช่วงที่ตกตามทั่วโลกนะผู้ค้นเนี่ยนะในในประเทศทั่วโลกเนี่ยคุ้นตั้งคำถามกับประชาธิปไตยคุตั้งคำถามกับการเปิดเสรีนะในยุโรปเนี่ยก็เริ่มจะพูดถึงเรื่องการปิดกัน้นไม่ให้ผู้รี้ภัยเข้ามาอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ก็พูดถึงเรื่องของการการปิดเสรีนะต่อไปการการทำธุรกิจเนี่ยม่ต้องมีการปกป้อง นะมีการตั้งกำแงพงภาษีนะความคิดแบบนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งการที่ต่อต้านขัดหรือว่าตั้งกำถามกับประชาธิปไตยการมีความใจกว้างต่อผู้ลี้ภยัยต่อชนกลุ่มน้อยต่อความหลากหลายความหลากหลายทางเพศประชาธิปไตยเนี่ยถูกมองว่าเนี่ยมันเป็นเครื่องมือของนายทุนที่จะมาเอาเปรียบคนส่วนน้อยเอาคนส่วนใหญ่หรือว่า เปิดโอกาสให้มีการใช้อำนาจในทางที่ชอบไม่ใช่เอาเปรียบไม่ใช่แค่ตักตวงเงินทองแต่คอร์รัปชันด้วยเป็นพฤติ ก, การ์ด้วยหรือมิฉะนั้นเนี่ยก็เป็นช่องทางทางทให้พวกคารเดมากรก์พวก ท, วกที่พวกที่อ้างประชานิยมเนี่ยขึ้นมาครองอำนาจอย่างในโบลิเวียในเวเซเวเนซเลาแม้กระทั่งในฟิลิปปินส์ล่าสุดพวกนี้มันอ้างประชาเิปไตยอ้างซึ่งทาให้ คนชั้นกลางซึ่งเป็ น, น ค, คนส่วนใหญ่ในในหลายประเทศเนี่ยเกิดความเหนื่อยหน่ายเกิดความเพ้อแท้เกิดความตั้งคําถามกับประชาธิปไตยว่าทำไมประชาธิปไตยมันทําให้เกิดปัญหาแบบนี้มันทําให้ประเทศล่มจมมันทําให้มีการคอร์รัปชันมากขึ้นมันทําให้มีการแชมปาในทางที่ไม่ชอบมากขึ้นอย่างในอียิปต์นะเมื่อใช่วงที่ที่มีการมีประชาธิปไตยก็มีการปฏิรัปฐานตุรกีก็เหมือนกันล่าสุดเนี่ย คนก็จำนวนมากก็รักษาสำลักประหา ร, ร, หา ร, รกุรกีเพราะเห็นว่าไอ้เตะตาตเนี่ยมันทำให้ได้ผู้นาที่รู้กแก่อำนาจนะหรือไม่ก็อ้างอ้างอ้างาศาสนาะอะไรต่างมาอันนี้เป็นกระแสทั่วโลกน ะ, ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมายความว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่ายากแต่มันก็เป็นปรากฏการณ์ชั่วคราว เป็นตัวการชั่วข่าวนะสิ่งที่เราอตาตมาเชื่อเราควรจะทําก็คือว่าเราก็ทำนะตามกําลังของเราหาช่องว่างในจุดที่เราทําได้ที่มันจะส่งผลช่วยเหลือคนส่วนน้อยหรือว่าคนที่อันนี้คนส่วนน้อยคนคนเล็กคนน้อยนะอาตมาเชื่อสังคมทุกวันนี้เนี่ยแม้ว่ามันจะทําอะไรได้ยากกว่าเมื่อก่อนเพราะว่าบรรยากาศการเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยนะ ผู้คนขัดแย้งกันแต่ว่ามันก็มีช่องทางที่เราจะทำอะไรได้หลายๆอย่างขอให้ทำอย่าทอดแท้เพราะาถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราก็ยิ่งขอเขียวเรายิ่งรู้สึกราอํำนาจแม้ทำเล็กทำน้อยเนี่ยแต่มันก็จะหล่อเลี้ยงมันก็เจะลเลี้ยงหล่อเลี้ยงกาลังใจหล่อเลี้ยงอุดมภูติของเรานะและขณะเดียวกันเนี่ ย, ยต้อมาคิดว่าต้องรู้จักหาความสุขมา มาด้วยนะความสุขที่ว่านี่อาตมาไม่ได้หมายถึงความสุขจากการไปเที่ยวจากการไปดูหนังฟังเพลงกินอาหารอร่อยเท่านั้นอันนั้นก็เป็นสีสันของชีวิตแต่สิ่งที่จําเป็นต้องมีความสุขจากภายในคนที่ทำานเสังคมเนี่ยก็มักจะไม่รวยนะก็มักจะไม่ได้รับคําชื่นชมสรรเสริญคนจํานวนมากหาความสุขจากภายนอกเช่นคําชื่นชมสรรเสริญจากเงินทองนะคนก็าจากความสําเร็จ แต่ความสุขที่ดีกว่านั้นคือความสุขจากภายในความสุขจากภายในมันจะหล่อเลี้ยงเราให้ทำงานไปได้เรื่อยๆแล้วความสุขจากภายในเนี่ยมันเกิดจากจิตที่มีเมตตาเกิดจากจิตที่มีสมาธิมีสติมีความรู้สึกตัวถ้าเรา ม, มีมีธรรมะอย่างเนี้ยอยู่ในใจเนี่ยเราจะมีความสุขได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่างานที่เราทาจะไม่สาเร็จ จะไม่ได้รับคําชื่นชมสารเสื่อหรือยอมรับจากสังคมบางทีอาถูกต่อว่าด่าทอแต่ว่าเราก็ยังไม่ท้อแท้เพราะเรามีความสุขจากภายในเพราะฉะนันเรื่องของสมาธิภาวนาก็ดีหรือเรื่องของการวางจิตวางใจให้ดีก็ให้ถูกต้องก็ดีสําคัญโือเพราะการที่เราเนี่ยไม่เอาเอา อาตัวตนของเราเอาความสุ ข, ขเราไปผูกติดอยู่กับสิ่งที่ทางพุทธศาสนาเรียกว่าโลกธรรมแปดนะลาบยศสารเสริญสุขหรือว่าความเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาหรือว่าความทุกขนะ์ถ้าเราเอาความสุ ข, ขงเราไปผูกติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเราจะทอดแท้ทํางานแล้วก็ไม่มีคนยอมรับทํางานแล้วก็ใส่แห้งนะแล้วก็จะเลิกไปในที่สุดนะไป ภาษาภาษาเรียกว่าเอาอุดมการณ์เก็บใส่ลริ้นชักเอาอุดมคติสายริ้นริ้นชักหรือว่าภาษาสาก็เรียกาขายตัวนะซึ่งมันก็อายจํทำให้เรามีเงินมีทองมีความสะดกสบายแต่ลึกๆในจิตใจก็ไม่มีความสุขนะแต่ถึงแต่ถึงแม้เราจะไม่ทาอย่างนั้นแต่เราไม่มีไม่มีวิธีการสร้างความสุขจากภายใน เพื่อมาช่วยหล่อเลี้ยงใจก็ไม่ได้นะคนเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยทุกคนต้องการความสุขถ้าไม่มีความสุขจากภายในหล่อเลี้ยงเราก็จะไปแสวงหาความสุขจากภายนอกความสุขจากจากโลกธรรมแปลความสุขจากกามกามมาสุขกามมาสุขในทนี่หมายถึงว่าสุขจากลูกเล่นกินเสียงสัมผัสนะซึ่งมันทำให้เราซึ่ ง, ง, งมันทำเป็นอุประคกับการทำงานเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคม เพาะมันทำให้เราต้องยอมตัวเป็นเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นค่ารับใช้ของคนที่มีเงินนะหรือว่ายอมตัวเป็นเป็นทาสของกามกามาสุขหรือว่ากิเลสแต่ถ้าเกิดว่าเราเราสามารถที่จะมีความสุขจากภายในเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงนะเราก็สามารถที่จะมั่นคงเข้มแข็งได้แม้ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามแม้เราจะอยู่ในสถานะที่สูงเราก็ไม่ ไม่เปลี่ยนไม่ผันแปร ى. อย่างอาจารย์ปว่วยเนี่ยนะอาจารย์ปว่วยเนี่ยถามว่าท่านเนี่ยมีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มั่นคงเข้มแข็งได้อย่างไรทำไมท่านถึงไม่ไม่ไม่ไม่แพ้แพ้ต่อสิ่งเจ้ายวนไม่ว่าจะเป็นอำนาจเช่นตำแหน่งรัฐมนตรีนายกรักฐมนตรีหรือว่าเงินทองซึ่งมีคนอยากจะหยุดยื่นให้ท่านเพราะท่านเป็นผู้วการแหงชาตินนะอันนี้ ท่านทําได้อย่างไงนะทั้งที่ท่านสิ่งที่ท่านทำเนี่ยนะงานที่ท่านทํามันก็เหนื่อยนะเพรว่าแบงค์ชาติเนี่ยนะต้องรับผิดชอบกับความเป็นไปของบ้านเมืองในทางเศรษฐกิจแต่สมาเชื่อสิ่งที่ท่านทําให้ท่านเนี่ยมั่นคงเข้มแข็งได้ไม่ไม่แพ้แพ้ต่อสิ่งเย้ายวนได้เนี่ยเป็นเพราะว่าท่านมีความสุขภายในส่วนหนึ่งเกิดจากศิลปะวัฒนธรรมท่านะนะนเล่นดนตรีท่านเป็นคนมีสุนทรียาลม ชื่นชมศิละปะนะอันนี้ก็เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจให้มีความสุขได้อีกส่วนหนึ่งก็คือท่านนะมีความสุขภายในนะท่านอาจะไม่ได้ทําสมาธิภาวนาอะไรแต่ว่าท่านมีความสุขจากการที่ได้ไ ด, ได้ได้ใช้ชีวิตที่เียบง่ายใครจะมาให้ท่านสร้างจอมมรสริตจะให้สร้างบ้านตึกใหญ่หลังใหญ่ใหญท่านท่านก็ไม่เอาบอกท่านขออยู่บ้านบ้านไม้หลังเล็กเลกหลังเดิมเดิมนะ ตอนมสิทธิ์ขยันขยอยท่านยังไงท่าน ก, ก็ก็ไม่ยอมสุดท้ายก็บอกว่าเนี่ยเมียผมชอบแบบนี้นะตัดบทไปแล้วเมียชอบแบบนี้ก็เลยอะตอนมสิทธิ์ก็เลยไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ขยันขยอยนี่สมาที่ว่าเนี่ยอันนี้อาจารย์ป่วยเนี่ยก็เป็นตัวอย่างคนซึ่งสามารถจะมั่นคงในอุดมคติได้เพราะว่าท่านมีความสุขภายในเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง น, นะพวกเราก็เหมือนกันารสมาเธื่อน่าจะมีตรงนี้ด้วยเพื่อทำให้เรา ทำงานได้อย่างมีความได้อย่างราบลื่นมั่นคงถึงเวลากลับบ้านก็ไม่ต้องเอามือกายหน้าผากไม่ต้องอยู่ร้อนนอนทุกขยรู้จักปล่อยรู้จักวางได้ข้อแท้ยังไงก็ได้นอนได้พักรุวงขึ้นเช้าตรู่ก็มีกำลังใจเห็นดวงอาทิตย์มันขึ้นมาสว่างสวยยามรุ่งอรุณก็ เ, เกิดกำลังใจขึ้นมาใหม่ก็ก็เกิดเอาไว้เท่นนี้นะว่า อยากจะแนะนำผู้เราเนี่ยได้ลองอาหาสิ่งที่จะมาช่วยเสริมสร้างความสุขภายในขึ้นส่วนนึงก็เกิดจากการทําสมาธิการมีจารนสติส่วนในเกิดจากการวางจิตวางใจให้เป็นมยึดติดถือบ้านไม่ทอดในในในขุดในผลสําเร็จหรือว่าในผลงานที่ยังไม่เกิดขึ้นนะก็ฝากไว้ตรงเนี้ยเผื่อใครมีสงสัยแล้วก็พูดคุยซักถามย้ายเป็นงานสนทนากันนะมันจะได้แลกเปลี่ยนก้างขวาง งานไหลอ่ะบางทีคนชมพงงานมันเป็นที่ต้องให้สื่อเลยเลเพ่นการแก้ไขของาษาชาวบ้านของชนบนอย่างเง really like really uh> ี้ยพีจากนั้นเนี่ยคนจะทุกข์ก็จะตอเรื่งางทีอย่างเช่ตอนของชาวบ้านที่เราวหวถกปีรุลมเพราะนั้นในฐานะสื่อหรือว่าคนทางานก็จะต้องเข้าไปช่วยให้ เร็วเงินากู้การวิ่นั่นแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรเรื่องย่างเงี้ยก็เป็นอย่าเงี้ยเราเราจะทําย่งไหนวางตัย่งไงถ้าเราทําเต็มที่เรากต้องยอมรับความจริงว่าเตุปัจจัยมันยังไม่ถึงพร้อมที่จะทําให้เกิดความสําเร็จอย่างที่เราคาดหวังแต่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเนี่ยนะเราเองก็จะสุดแล้วเราเองก็จะไม่มีกําลังที่จะไปทําอะไรเพื่อเขาต่อหรือไม่มีกําลังที่จะไปทําอะไรเพื่อคนอื่นต่อไปถูกไหม คือถ้าเราไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ดูแลตัวเองด้วยเนี่ยนะเราก็จะเราก็จะช่วยชาว บ, บ้านไม่ได้ต่อไปเพิ่มเเราเป็นภาระหลายคนเนี่ยนะป่วยนะเป็นภาระคนอื่นอย่างต่ำๆก็โรคกระเพาะบางคนก็เครียดบางคนก็ซึมเศร้าบางคนก็เสียศูนย์เัวเองช่วยคนอื่นไม่ได้นะ แรารเป็นปาระให้ให้ลูกเมียให้เพื่อนๆต้องมาดูแลเพราะเราเสียศูนย์เพราะเราเราเสียจริตไปใช่ไหมคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าเราช่วยใครไม่ได้เนี่ยต้องรักษาตัวรักษาใจอย่าให้เป็นปาระเป็นปัญหาของคนอื่นแต่ต้องปฏิบัติทํามละเนี่ยสำหรับสองคนลคนเนี่ยพอไม่รักษากายรักษาใจนะ สุดท้ายช่วยคนอืนก็ไม่ได้แถมเป็นภาระนาคนอื่นีกนะมันต้องมันต้องเลี่ยงเลี่ยงภาวะเช่นนี้ให้ได้ภาอาการขาลงที่อยู่มพูของสังคมนนเรื่องการใหคารูานนร้ที่มีความหลากหลายของท่านไสาานี้มันจะเกิดขึ้นมา น, นครับแล้วเราควรจะ อ, อยูุ่ดมันยังไงที่ในเมื่อเราทํางานแบบนีเเ้เราเรารู้ เห็นคุณคของความเป็นมนุษย์แต่ว่าสถานเป็นมันเป็นไปอย่างนั้นนะครับเราเราเป็นยังไงเนี่ครับคือก็พูด ย, ายนะ้าตาคิดว่ามันเป็นสิบปีสิบปียี่สิบ ป, ป, ป, ปีแต่โลกมันเป็นอย่างนี้เสมอนะหก ต, ต, ตุลาเนี่ยหตุลาเนี่ยไอ้สิบสี่ตุลาเนี่ยเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่ามันเป็นกระแสโลกเหมือนกันใช่ไหมไอ้ตอนก็สิสีตุลามันไม่ได้เกิดที่บางแทงเดียวมันเกิดขึ้นทั่วโลกใช่ัหม ในอเมริกาก็ยุค60เนี่ยนะกระแสก็ขึ้นในฝรั่งเศ ส, สยุค60ปลาก็ขึ้นไปหมดนะครับแต่สมาชิกว่ามันบางทีโลมันก็เป็นกระสแสเหมือนกันแต่สมาชิ่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นกระแสขาลงเพราะว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการกอร่อการร้ายใช่ไหมซึ่งเป็นตัวเล่นทําให้การจํากัดสิทธิเสรีภาพการกตั้งคาถามกับประชาธิปไตยใช่ไหมการรังเกียจชนกลุ่มน้อยนะความสุดขพพับแคบเป็นฝังเป็นฝ่ายเนี่ยมันรุนแรง อตมาก็ไม่ได้บอกว่าความเกาะกันร้ายนี่นะมันเป็นสาเหตุแต่ว่าเป็นตัวเล่งทาให้กระแสพวกนี้มันมันขึ้นเร็วมากซึ่งอตมาก็ไม่รู้ว่ากเราก็คิดว่าไอ้กระแสเกาะกันร้ายเนี่ยมันก็มันซาเมื่อไหร่นี่นะมันก็อะไรแล้วก็จะดีขึ้นนะตัวเมันกับตอนที่สงครามเย็นนะสงครามเย็นคอมมิวนิสต์กับกับรัสเซียกับอเมริกาเนี่ยไอ้ตอนนั้นเนี่ยไอ้กระแสเผด็จการก็มาแรงนะคการจํากัดสิทธิเสรีภาพก็มี นะของไทยก็สมัยจอมบุญสลิดถนอมประภานเนี่ยมันก็มาเพราะกับสงครามสงครมเย็นพราะสงครามเย็นมันขี้คายใช่ไหมอุปชาปติทปไตยก็ฟื่องฟูตอนนี้มันมันไม่ใช่สู้ระหว่างคอมมิวนิสต์กับเสรีนิยมมันสู้ระหว่างอะไรศาสนาความความข้างศาสนากับกับกระแสเสรีนิยมซึ่งเสรีนิยมกาลังดีแรกถดถอย ทุกที่เนี่ยมันจะจากัดสิทธิเสรีภาพแม้ของอเมริกาเนี่ยเพื่อเพรากลัวเรื่องการก่อกันร้ายเพราะกลัวเรื่องส่วนกลุ่มน้อยให้นอนเราก็เชื่อแต่แน่นอนเราก็ต้องพยายามรักษารักษารักษาอะไรรักษาสิทธิเสรีภาพหรือปฏิแผงความหวังเอาไว้ให้ได้แต่ก็ต้องยอมเราเราต้องมีความเข้าใจว่านี่มันเป็นกระแสโลกด้วยมันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นกับเมืองไทยอย่างเดียวมันจะไม่ดำดิ่งไปเรื่อยๆเาไม่เชื่อ จะต้องสวิงขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นเช่นนั้นเองโลกมันก็ส <c oughs> วิง ก, ก็สวิงไปสวิงมาคุณดูคุณดูประสาโลก็สวิงไปสวิงมาอย่างนี้แหละใช่ไหมอย่างเนื้อธรรมชื่อว่ายังไงประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพการเคารพชนกลุ่มน้อยเนี่ยมันเป็นของดีซึง่งไงเนี่ยมันไม่มีทางตาย <c oughs> คือถ้าเราศึกษ า, าประสาโลกเี็จะพบ ว, ว่าประชาประชาธิปไตยหรือว่าแนวคิดแบบเซนิมเนี่ยมันมันมันเกิดจาก มันเกิดจะพ่ายแพ้มาหลายครั้งแล้วอาตมาอ่าน่านเรื่องราวของนักประวัติศาสตร์สมัยระบว่งสงครามโลกครที่หนึ่งกับสงครามโลกที่สอ ง, งเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่น่าเชื่อว่าประชาธิปไตยเนี่ยจะอยู่รอดมาได้หลังสงครามโลกที่2เพราะว่าสงครามโลกคที่สองเนี่ยนะพวกที่มาแรงเนี่ยมีสองกระแสะคือฟาสซิสต์กับคอมมิวนิสต์ฟาสซิสต์กับคอมมิวนิสต์มาแรงมาใ น, นสงครามโลกที่สองเนี่ยประชาธิปไตยก็อาจจะพ่ายแพ้ อังกฤษเนี่ยกำลังจะโดนอเมริกเยอรมันถลม่มแล้วก็อเมริกาก็ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะจะมามีบทบาทแค่ไหนตอนนั้นเนี่ยบรรดาบรรดานักบรรดาปัญชาชนชั้นนำเนี่ยของยุโรปเนี่ยถ้าไม่เชียร์ฟาสซิส ก, ก็เชียร์คอมมิวนิสต์ใช่ไหมแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยปรากฏว่าไ อ, สอ้สองอุอุดมการเนี่ยมันแพ้ อย่น้อยเนีฟาสซิก็แพ้นในสนงครามที่สองแล้วก็ทําให้ประชาธิปไตยเฟื่องฟูแต่สุดท้ายคอมมิสก็พ่พายแพ้หลังจากที่สงครามอะไรสงไ อ, ไอ้เกิดปีอปสองพัน้าร้อยสามสองนั่นเริ่มาคิดว่ามอเ น, นียของปรวัาสตรโลกเนี่ยนะนี่ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่ประชาธิปไตยอยู่ในภาวถดถอยมันถอดถอยกว่านี้มาแล้วหนักกว่านี้มาแล้วนะตอนนี้ออตมาไม่แปลกใจทําไม ทำไมคนนักวิชาการบัญราชนจํานวนมากเนี่ยตั้งคําถามกับประชาธิปไตยเพราะในยุโรปเนี่ยนักบรญาชนชั้นนำเนี่ยมันตั้งคําถามกับปชาธิาไตยมาเยอะมากตัวใหญ่สมัยนั้นก็เชียร์เพไปทางคอมมิวนิสต์สังคมนิยมใช่ไหมั่นยังจะม่แพรัสถานการณ์เนี่ยบริโภคนิยมสูงตรงเครั่องฆ่าที่มาแรงเรืยพวกเนี้ย มันจะทำยังไงที่มันจะกระเืม่มกับมันมีประากายอะไรที่มันจะทำให้มกระเพื่อมกับมันได้อย่างน้อเราต้องรักษารักษาแนวคิดแบบนี้อหลงปติแบบนี้เอาไว้มีคนที่ทํา ง, งานพวกนี้พวกนี้ต่อไปต้องพูดต้องต้องพูดต้องสแสดงความเห็นไปเรื่อยๆอย่าให้อย่าให้ไฟมันดับอย่างน้อยมันก็ยังมีถ้าไม่มีเชื้อมันต้องมีฐานไหมอยู่ไม่ต้องมีต้องมีไฟยองมียัง ม, งมปีประกายไฟอยู่แช่วหม นี่กลาเป็นห่วงนะในแง่นึ่ยเป็นห่วงถ้าทรัมป์ทรัมป์เป็นเป็นขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยอังกฤษเนี่ยบริสจอนสันเนี่ยขึ้นมาเป็นขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศบริสจอนสันเนี่ยมันขวามากเลยแล้วมันปลุกกระแสมให้คนเกลียดชนกลุ่มน้อยแล้วทรัมป์เนี่ยถ้าออกมาเนี่ยเขาเป็นปีเป็นคุยกันเลยกับบริสจอนสันเนี่ยใช่ไหมตอนนี้มันเป็นกระแสทั่วโลกเลยนะแต่เราแม้ต้องรักษาก็เหมือนกับเมืองไทยสมัยจอมสฤษดิ์เนี่ยนะ มันก็เป็นช่วงตกต่ำทางสติปัญญาใช่ไหมแต่ก็ยังมีคนที่พยายามที่จะพยายามที่จะรักษา เ, เรื่องแนวคิดสิทธิทมนุษยชน ป, ชประชาธิปไตยความยุติธรรมเอาไว้แต่เมืองไทยตอนนี้ดีกว่าสมัยสุลิตเยอะยังไงก็ยังดีกว่านะอ <c oughs> ย่งางน้อก็ไปจับคนมายิงเป้าที่สนามหลวงหรือว่าไปรอบฆ่านะ มีความหวังไหม มาว่าเรื่องที่มันผูกติดกับเรื่องของความขัดแย้งทางสังคมเลยเพราะที่ที่ออกมาในรูปเหลืองแดงนะเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าเวลานี้ใครพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนใครพูดเรื่องความยุติธรรมในสังคมนั่นก็จะถูกตาหน้าว่าเป็นสีแดงใช่ไหมคือสองคไทยตอนนี้คุณทําประเด็นแล้วก็ตาจะถูกถูกปะปะยี่ห้อว่าเป็นเหลืองหรือแดงถ้าคุณทําเรื่องสิ่อล้อมเนี่ยคุณคืเหลืองใช่ไหมถ้าคุณทําเรื่องสิทธิมนุษยชนคุณคือแดง มันก็เลยคนที่อาจจะเห็นใจโรฮิงญาใช่ไหมแต่พอมอว่า น, นี่เป็นเรื่องของของสีแดงนะเขาก็ไม่สนใจเขาก็เฉยเมยและทำไมช่วมันมันผูกติดกันนะสมาก็ปัญหานี้เนี่ยจะทําคนไท ย, ยจะมาสนใจเรื่องโรฮิงญาเรื่องอะไรเนี่ยต่อเมื่อไอความขัดแย้งเรื่องเหลืองแดงนี่มันคลี่คายลงไปซึ่งมันก็เป็นเรื่องยั ง, งใช้เวลาเรื่องสิงห์รกระลอนก็เหมือนกันนะสิงห์รกระลอนทุณ คุณไม่สามารถจะขี้ขายเรื่องสิงแวดล้อมเรื่องเรื่องเหลืองแดงเนี่ยคุณรล ง, ล ง, ลงเรื่องสิงแวดล้อมไปไงก็มีคนแค่กลุ่มหนึ่งที่เห็นด้วยกลุ่มหนึ่งเขาไม่เอาแ ถ, แถมต่อต้านด้วยเพราะเขมองว่าไอ้นี่เป็นเรื่องของคนสีเหลืองเอมันอนนี้มันตอนนี้มันมันมติดล็อกตรงนี้่แล้วประเด็นแหละประเด็นมันไม่ใช่เรื่องเหลืองแดงมันเป็นเรื่องของของประเทศชาติของส่วนรวมใช่ไหม แต่ตอนนี้มันมีความระแวงขนาดนี้มันก็มันก็เลยขยับอะไรงลำบากแต่ก็ไม่ใช่แปลว่าเราไม่ต้องทําอะไรก็ต้องทำใช่ไหมแต่ก็ต้องรู้ข้อจํากัดว่าเนี่ยมันมีปัญหาอย่างเนี้ยลำบากมากตรงที่ผู้บริหารประเทศยิ่งเป็นผู้ที่เราแวงมากกว่าคนอื่นนะคะ<ม>ว่าอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ว่าจะไว้ใจ เ, เชื่อใจกันหรือก่อให้เกิดกัน สมาสามคัคคีเป็นหนึ่งอะมันยิ่งมันยิ่งรอยรอยบากมันยิ่งห่ากออกไปเพราะว่าผู้นําประเทศไม่ได้เป็นตัวอย่างค่ะยิ่งระแวงคนอื่นเท่าหนักไปอีกมันก็ยิ่งลิล้ น, ม, น, นมันก็ยิ่งลึกๆไปเรื่อยๆว่าจ่าขาบคนที่จะทําได้ไม่ทำนะคะคนที่จะทําได้กลับทําอีกทางเลยมันก็ยิ่งมันยิ่งดูแลรำคาญก็คือถ้าได้อํานาจมาด้วยวิธีนี้ก็ต้องระแวง <S <S ใช่ไหมเพราะ <S <S <S ว่าก็ต้อง คือก็ต้องระวงว่าเดี๋ยวจะถูกบ่อนแสถือถูกอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นธรรมดาของการได้อำนาบด้วยวิธีนี้ก็ต้องระวงก็ต้องพยายามที่จะพยายามที่จะขจัดคนที่เห็นต่างเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะมาทําให้ตัวเองอยู่ไม่ได้ ไม่ทำจิตแล้วก็ทําจิตด้วยน ะ, ะทำจิตก็คือว่าปล่อยวางก็ปล่อยวางไปแต่ว่าอะไรที่เราทําได้ก็ทําช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ดได้ยากน ะ, ะตามกําลังของเราคดแต่เนี่ยก็คือทําอย่างที่เราทําได้บ้า น, นเองไว้กันถ้าคิดกว้างคิดลึกคิดใหญ่คิดวงกว้างยิ่งห น, น, ใ น, ในเอาเอ่งที่เราทําของเราได้ก็ทําของเรา เราก็เห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเยอะนะคะพระอาจารย์แต่มันก็อยังร่องเรืออำนาจหรือสิ่งที่เราจะแก้ไขได้นะคะพระอาจารย์แบบจริงๆถ้ามองมองมองอย่างมองในภาพรวมมองอย่างเป็นธรรมนะมสิ่งดีๆที่มันมีที่มันเกิดขึ้นมากๆมันก็มีสิ่งดีเกิดขึ้นมากไม่น้อยนะ<ม>คือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าสังคมมันจะแย่ยไปทุกเรื่องหลายเรื่องมันก็ดีขึ้นนะ<ม>อาตมามีความอาตมาสึกว่าเนี่ยมันมี มันมีพัฒนาการหลายอย่างที่ดีขึ้นนะเพียงแต่ว่าทำไงถึงไม่ให้พัฒนาการนั้นมันมันถดถอยแล้วก็การนกันก็ทาให้มีสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่า น, นี้อีกยิ่งถอย่างว่าภาประชาสังคมได้มีพัฒนาการที่สูขึ้นเรื่องของการใช้ข้อกฎหมายต่าการแก้ไ เรของการนำธรรมะมาเป็นเรื่องมือในการช่วยด้วยจิตที่สงบด้วยความเมตตาต่อผู้นาประเทศที่เขาอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าหลงินไปนี่จะไปคิดว่าน่าจะต้องเสถียในเรื่องของการนำธรรมะมาใช้ในการบอรูุแล้วก็ให้คิดว่าธรรมะคืออำนาจไม่ใช่อำนาจไม่ใช่อนานาจเป็นใหญ่จริงต้องใช้กับทุกเรื่องอะนะนากระทั่ง กับกรณีโลหิงยากับคนที่เห็นขัดแย้งกับโลหิงยาก็ต้อ ง, ก, องก็ต้องมีเมตตาเขาอย่าไปไม่ใช่เขาไม่เห็นด้วยก็เราก็ด่าเขาแรงต่างตอนนี้มันมันมีแต่การศาสตร์อารมณ์ใส่กันนะทีเราต้องหนักแน่นมั่นคงนะไม่ไม่ไปให้ไปด่า ก, กับนะถึงแม้ว่าสิ่งเราจะมั่นใจสิ่เราทำมันดีแต่คนที่ไม่เห็นด้วยเขาก็อาจจะไม่เข้าใจใช่ไหก็จะมีความระแวงก็จะมีความ ความมีอะไรบางอย่างของเขาอ่ะยไปกประชาชนเนี่ยงเาัเครียดชั่กับนาแล้วก็เช่นที่แตาในเาการก็ยยมแนะนว่าให้ช่วยสเกให้มเมตตาต่อเขาให้การตอมันสใช่แล้วมันมันก็เดี๋ยวคนทําด้วยนะคนทาถ้ารุ่มร้อนก็เครียดจิตใจก็ตกตา่าคิดแต่จะหาทางแก้แค้นหาทาง ใส่ร้ายมีคือเขาคนเราโกรธแล้วมันคิดจะเอาชนะวิธีการอะไรที่ไม่ถูกต้องก็เอาก็ทำใช่ไหมเนี่ยอัตมาอา่านข้อความของชาวพุทธที่ต้องการปกปักพุทธศาสนาแล้วก็โจมตีอิสลามเนี่ยหลายอย่างนี้ก็โกหกทั้งนั้นอะ่ะใช่ไหมเป็นเท็จทั้งนั้นอะ่ะคุณรักษาพุทธศาสนาแต่คุณไม่รักษาศาีลเนี่ยมันทำได้ยังไงใช่ไหมคุณยะรักษาพุทธศาสนาคุณก็ต้องรักษา ก็ต้องใช้พุทธศาสนาใช้พุทธธรรมรักษาศีลตอนนี้ทุกคนคิดแต่เอาเอาชนะอยากเอาชนะมุสลิมก็พร้อมจะใส่ร้า ย, ายพร้อมจะโกหงนนี่มันไม่ถูก ถ้าบอกล่วงหน้าก็ดีแตามาจะได้อยู่พรงทีก็ตาตมาก็ไปไปมาณระหว่างสองวัดนะส่งอ e ีเมลส่งโ ท, โทรศัพท์มาหรือว่าข้อความทางเฟ e บุ๊กก็ได้ ใช่ยิกันเองตามสบายมีอัตมามีสีมีสีหัว